และเมื่อถึงคราวที่ตัวเองเป็นมะเร็งแกก็บอกว่าช่วงที่เป็นมะเร็งนี่เป็นช่วงที่สนุกมากเลยมันก็น่าแปลกนะว่าสนุกได้ยังไงมะเร็งนี่มันอันตรายถึงตายแกก็บอกว่ามันสนุกก็เพราะว่าได้มาศึกษาค้นคว้าว่ายาชนิดไหนที่มันรักษามะเร็งได้เกมีบําบัดชนิดใดที่มันรักษามะเร็งที่เกิดขึ้นกับแก่ได้ก็ได้ทดลองยาหลายชนิดเคมีหลายตัว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 ถ้าใจเราไม่อยอมไม่เข้ามามันก็ติดอยู่แค่กายเท่านั้นละมันก็ติดอยู่แค่ตาที่แค่หูแค่จมูกเท่านั้นละมันไปไม่ถึงใจแต่ที่มันข้ามจากตาเข้ามาถึงใจข้ามจากหูเข้ามาถึงใจได้เพราะว่าใจเราเปิดช่องเองนะเรียกว่าเป็นใจที่มีแผลมันก็เหมือนกับหลังคาเนี่ยถ้าหลังคามันดีแน่นหนานเนี่ยฝนตกมามันก็ไม่มีทางที่จะฝนจะลวซึมได้ ถ้าฝนล้วซึมได้มึงจะไปโทษฝนนะเราต้องโทษว่าเป็นตพรเราปล่อยให้หลังคามันล่วนเองโทษฝนไม่มีประโยชน์ต้องดูที่ว่าเรานี่รับผิดชอบดูแลจัดการหลังคาให้มันเรียบร้อยหรือเปล่า้าคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะไปโทษภายนอกลืมมองมาที่ตัวเราเองเวลาเราชี้นิ้วกล่าวหาใครนะเราชี้เพียงแค่นิ้วเดียวคือนิ้วชี้อีก3มนิ้วมันชี้มาที่เรานะว่าว่าเราก็มีส่วนเหมือนกัน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 ล้เนื้อบีบลัดนะจนบางคนล้มป่วยหรือช็อกไปก็มีทั้งทั้งที่ลองเกรสรก็ไม่มีอะไรบางคนแพ้พวกของพวกอาหารทะเลอาหารทะเลมก็ไม่มีอะไรแต่ก็แพ้ได้อันนี้กจะโทษอะไรจะโทษลองเกรสรได้ไหมจะโทษฝุ่นละอองได้ไหมจะโทษอาหารทะเลได้ไหมมันก็โทษได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันไม่มีอันตรายอะไรแต่เป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา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 แต่ว่าใจเรามันไม่กลัวไปเองจนนอนไม่หลับเสียงใบไม้ตกกระทบหลังคาก็นอนไม่หลับต้องจะไปโทษใบไม้ก็ไม่ได้นะต้องโทษใจของเราแต่เราก็มักจะไม่ค่อยกลับมาดูใจของเราเท่าไหร่เราก็เพ่งโทษออกไปข้างนอกตลอดเวลาีถ้าเกิดว่าเราเรามาเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยนะมันก็เป็นการพยายามสร้างนิสัยของเรานะให้หันมา ท่านมาดูใจของเรามากขึ้นแล้วก็ดูว่าใจของเราเนี่มันเป็นตัวกาหรือเปล่าความเจ็บความป่วยนะก็เมื่อความทุกเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บหลายโรค ม, มันก็เกิดจากปัจจัยภายในนะมันไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกแม้แต่แบคทีเรียหรือว่าวาร์สหลายชนิดที่ใครๆบอกว่ามันทําให้เจ็บให้ป่วยเนี่ยจริงตัวมันเองเนี่ยตัวไวรัสตัวแบคทีเรียพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําให้เจ็บป่วยคือมันไม่มีพิษ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 อยากได้4ได้ 3.8 ก็ค่าตัวตายก็มีเข้าเหมาอทุทยานได้แม่ไม่มีเงินให้ค่าเราเรียนก็ค่าตัวตายอย่าไปโทษสิ่งภายนอกต้องโทษใจของเรานะที่มันมีความหมกมุ่นขุนคิดหรือว่าเกิดความยึดติดปรุงแต่งมากเกินไปเรื่องธรรมดาธรรมดาก็เลยทําให้คนเดือดร้อนได้อันเนี้ยสิ่งที่เห็นเนี้ยมันไม่ทําร้ายเรามากเท่ากับว่า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 มีพ่อค้าเลขคนหนึ่งแกถูุกรัฐเดลีลงมาทิ้งหนึ่งได้ัึงยีล้านก็ขึ้นหน้านหนึ่งไทยรัฐเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปฉับพลันเลยจากพ่อค้าเล่นี่กลายเป็นเศรษฐีให่ผ่านไปไม่ถึงเดือนก็ขึ้นหน้านหนึ่งไทยรัฐอีกว่าพ่อค้าเลขถูกหวยยีล้านซดยาพิษฆ่าตัวตายทำไมถึงซดยาพิษฆ่าตัวตายเพราะเครียดเพราะว่าได้เงินแล้วนี่คนก็มาลุมขอขอนนี้ก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง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 มีความสุขกว่าเป็นไหนๆนตอนเป็นพ่อค้าเลยหาชากินขํามมีความสุขกว่าเป็นไหนๆอันนี้บางทีคนเราได้โชคนี่มันกลายเป็นเคราะห์นะเพราะโชคกับเคราะห์นี่มันใกล้กันมากอย่างผู้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินโอลิมปิกโดยพอนักมวยนี่เสียคนไปแทบทุกคนเลยเสียคนไปเป็นหนี้เป็นศินจากคนที่เป็นเศรษฐีฉับพลันก็กลายเป็นคนมีหนี้สินลุงลัง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 นะไม่รู้เล่นกันได้ยังไงอันนี้พอมีเงินมากนะเพราะว่ารวยเร็วลักษณะแบบนี้เราก็เรียกว่าเหมือนกับสล้อถูกหวยแต่ที่จริงความพูดแบบนี้มันก็มันก็ดูถูกสาล้อนะแต่ว่ามันก็มักมจะเป็นอย่างนั้นคือว่าคนที่จนแล้วถูกลอตเตอรี่รางัลที่1มันก็ตั้งหลักไม่ทันเป็นใครที่อยากถูกหวยรวยรวยเบอร์นี้ก็ต้องระวังนะอาจจะเกิดทุกขลาภไปโดยไม่รู้ตัวดูแบบนี้หาชอกินข้าว บ, บางทียัง มีความสุขกว่าเสียอีกอันนี้พระเจ้า ก, ก็เคยตรัสไว้ว่าแม้ไอ้ของที่ดีๆที่มีประโยชน์มันก็ต้องระวังเกี่ยวข้องไม่เป็นก็ก็เจ็บตัวได้อย่างเช่นพระองค์ตัดเป็นภาษิตว่ายาคาที่จับไว้ไม่ดีนะย่อมบาดมือได้ชั้นใดนะแม้แต่เพศส ม, มณะหรือชีวิตพรหมจรรย์ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ฉุดลงนรกชั้นนั้นถ้าเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่า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 แต่ถ้าเราไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับมันเราเองเนี่แหละจะเดือดร้อนแม้แต่ธรรมะหรือว่าเพศภุทธจันทร์หรือว่าสมณเพศหรือว่าพระเหลืองนี่ก็เหมือนกันอันตรายเหมือนกันยุติมันไม่อันตรายเราแต่ใจเราต่างหากที่มันไม่ไม่ฉลาดมันประมาทมันก็เลยทําสิ่งดีๆให้กลายเป็นของเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงเพลินกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าอย่าไปคิดแต่สแสวงหาอยากจะได้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราโดยที่ใจเรา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 มีชาดกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตย์ก็คือพุทธิเถียบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในสมัยหนึ่งก็เกิดเป็นฤาษีนะเป็นดาบทนะบำเพ็ญตะบะจนกรทั่งพระอินนีนะศรัทธานับถือก็เสด็จมาแล้วก็บอกว่าจะให้พรสิประการพรอะไรก็ได้ว่ามาเลยจะให้ทุกอย่างนะถ้าเป็นเราเราจะคิดขอพรอะไร คง ม, มีเรื่องที่จะข อ, อยเยอะๆไปหมดเลยสีข้ อ, อ จ, จะไม่พอก็ได้สีข้อดูมันเยอะแต่ข้อจริงไม่พอนะเพราะามันมีของอยากได้เยอะปรากฏว่าฤาษีท่านนี้ท่านบอกว่าขอหนึ่งไม่โลกสองไม่เกิดโทสะสมไม่เกิดสิเนหา4ไม่มีความหลงปรากฏว่าท้าวศักกะหรือพระอินท์ให้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องทําเองแต่ท่านขอนี่ถูกแล้วเพราะว่า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 ที่รู้จักเท่าทันในสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้จักเท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราเท่าทันมันแล้วนะมันก็ไม่มีอกุศลอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรืองอกงามในใจของเราได้แม้จะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแม้ว่าจะสูญเสียเสื่อมลาบเสื่อมยศซึ่งเป็นธรรมดาโลกเราก็หัวเราะเยาะมันได้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ทุกข์กับมัน นะเพราะว่าเราไม่ได้ติดยึดมันตั้งแต่แรกเราไม่ได้เพิ่มเผยลงไหลมันตั้งแต่แรกไอ้จิตที่รู้จักหันมาเท่าทันตัวเองคือจิตที่ฉลาดในการมองด้านในนะไม่ใช่เพลินกับการมองด้านนอกอย่างเดียวไอ้เรื่องด้านนอกนี่มันมีตาหูจมูกลิงกายนี่คอยดูแลคอยป้องกันอยู่แล้วตาหูจมูกลิงกายนี่ก็คอยป้องกันภัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นคนร้ายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับมาพุ่งชนเอา้าเราก็หลบ